พอพูดอย่างนี้ก็กระเทือนไปทั่วโลกกระท่าชาติติดดูขาชราติดดูขามานําปือขังโซกลับไปเทียวทุกทุนงานทุกไปชาติติดดขานั้นเต็นอยู่ด้ในทาตในขันของสัตว์และมุคคลทั่วไปเป็นแต่ว่าสัตว์เขาไม่ทราบนวมสมมติอย่างกว้างขวางละเอียดอ่อนเหมือนอย่างเราสำหรับมนุษย์เราเป็นผู้ทราบในสิ่งเหนี้ได้ดีศาสนาจึงควรแก่มนุษย์ ที่จะพึงปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของทุกข์เป็นอย่างนี้ในอริยสัจสี่มันแสดงไว้ในธรรมระจกปวัตตณสูตรสมุทัยอริยสัจจังคืออะไรนันที่ราคาใจหัตาตะตะตตรายทินานิมนีเช้ยที่ดงกามะตัญหาภวัตันหาวิภวัตัหาแนวสามอย่างนี้เป็นรากใหญ่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 ชาลาปิดูขาแม่นำปิุกขังและเกิดก็เป็นทุกข์แต่ชาลาทำท่าขอเป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ให้เองโทษของความทุกข์นี้เกิดจะได้ถอนตัวเองนั่นเองไม่ไเพื่ออะไรอ่างท่านที่แสดงไว้ในะอะไรอ น, นันตตะาละกักษณะสุขก็เหมือนกันมาสิ่งนั้นเจ็บแทงสิ่งนี้เจยดแทง มันเป็นไปเพื่ออาภายเป็นไปเพื่ออะไรความเป็นไปเพื่ออาภายอะไรที่ผิดปกติก็เสียดแทงเข้ามาที่จิตใจเสียดแทงเข้ามาที่จิตใจจิตใจมันผู้รับเคาะทั้งหมดคอให้เห็นในสิ่งนั้นด้วยให้เห็นความหลงของตัวนี้ที่ไปเกี่ยวข้ อ, ของหรือไปผูกพันเผาด้วยเนี่ยัเนเทศไม่ในนี้จากจิตนเทศอยู่ในจิตล้วนๆอยู่ในข้อที่สามเท่านั้น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 ต้องเป็นหัวหน้า ง, งานเอาคนโง่ไปเป็นหัวหน้า ง, งานไม่ได้ทำให้งานแห ล, เลกเลีปป้ยวผลตี้งหมดผลจะได้ก็ไม่ค่อยมีแล้วยังทํางานให้เสียไปด้วยให้เอาคนฉลาดเป็นหัวหน้า ง, งานนี่นมากแปดก็สมาทิติสามราสมมาสังกปโปสมาถึงปัญญาเป็นผู้นำสมมารกรรมวาจาสมมารกรรมันตาที่จะชอบไปได้ก็ต้องปัญญาเป็นผู้ควบคุมสมมาสติสมมาสมาธิ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 เป็นหาทางดวงวางจิตใจไม่ได้ทำมาทั้งหมดสอนลงมาที่ใจใจนี่แหละคือตู้ของกิเลสตู้ของวัตตะวนทั้งหลายอยู่ที่ใจครั้งแห่นกิเลสก็คือใจครั้งแห่งธรรมก็คือใจเมื่อทายเทศครั้งแห่งกิเลสกิเลสออกหมดอันนี้ก็กายเป็นครั้งแห่งธรรมขึ้นมาวัตตะก็ยุทตะแน่นอกเนื้อไปจากจิตใจดวงเดียวนี้ ทายเทสสิ่งที่เป็นวัตตาออกที่วัตตาเป้าปลากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นเช่นเดียวาวสฐานที่ที่รคบุงรังลราถาได้ถากถางต้นไม้ใบหญ้าออกให้หมดมันก็เตียนโล่งขึ้นมาในสถานที่โรคบุงรังนั่นแหละมีกิตเวลานี้มันลบุงรังด้วย อ, อะไรความโรค ก, ก็อยู่ท่าผมอยู่ที่กิตปกคุมที่กิจความโกรธความหลง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 มันร้อนเอควางไปหมดไม่ไปหมดทั้งมือนะ่ะต้องโยนขึ้นบนาาอากาศกว่าจะไปถึงที่ของมันเราต้องโยนขึ้นไปแล้วตกลงมาแล้วโยนขึ้นไปพอวันเทานี้เดินไปเรื่อยโยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อ ย, ย, นอยจนกระทั่งถึงที่แล้วสลัดทิ้งความร้อนก็นไม่คม่อยรุนแรงอะไรมากนะพอบรนเทากันได้นะขณะที่โยนผ่านไปออกจากฝ่า ม, มือของเรากว่าจะตกมาอีกก็พอบรรทาอันนี้นิดๆจนกระทั่งถึงที่พี่สลัดปาดทิ้งนี่ก็เหมือนการท่าตันขาอันนี้ี่ย เปลี่ยนยาบททั้งสี่คือยืนก็เหมือนกับวนถ่านไปขึ้นบนอากาศน อ, อเดินนั่งนอนอถ้านอนนานก็เหมือนกับเอาถ่านไฟวางไว้บนฝ่า ม, มือนานๆมันเผาไปหมดหอนานานๆก็เผาตัวเองนั่แหละให้ร้อนถ้าเกิดความทุกข์ความลาบากภาในร่างกายเืินนานๆก็ลําบากเดินานานก็ลาบา ก, นาน ก, บากต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงวันตาย น, านั่นพี่ดูสิวันตายน่แลนะวันสัตว์ปัดถึงอื จะตัดทิ้งธาตุขันกองทุกข์ที่มีอยู่ธาตุขันนเราจะพิจารณาอย่างไงเวลามีจิตของเรามันยึดมันถืออันนี้มันไม่ยอมปล่อยยอมวางเลยพิจารณาตรงนี้ปัญญามีไว้เพื่ออะไรหมุต้มแจงกินก็ไม่ได้มาไว้สําหรับแก้สิ่งที่งม ง, งายสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราพยายามแก้ลงที่ถึงนี้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 เวลาที่บวชแล้ว่ลุกขโมนเส้นาสนังเป็นต้นสอนให้ไปอยู่ตามใต้ป่าใจเขายุกขโมูลลมไม้ในถ้ำในเหวที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบําเพ็ญเพื่อจะแก้กิเลสหรืปกราบตามกิเลสให้อยู่ในเงื่อมือลืดให้มันสิ้นซากไปจากกิจใจการเป็นอยู่ป่วยไม่เลยคํานึงคํานวณมีแต่ว่าการประกอบความภาคเพียนอยู่ในสฐานที่ใดจะเป็นไปเพื่อความสะดวกในการแก้กิเลสอาสะวะ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 หมายอันนี้ต่างหากคนเลยไปเที่ยหาดูน้องอองน้องอ้อก็มีนะต่เที่ยวเชียงใหม่ไปดูน้อง อ, อ้อที่ท่านจานันทร์มั่นท่านเจอไปจนตายก็ไม่ได้เจออืความต้องการของนคนผิดขนาดนั้นนี่ได้ยิน ต, ตองหูจากของเองนะนเราก็เลยเกิดความตลดสองเรื่องขึ้นมาเหมือนกันที่เขาพูดใหังว่าเขาไปหาน้อง อ, อ้อที่ท่านจานันทร์มั่นท่านเจอว่าท่านได้เจอทําอยู่ที่น้อง อ, อ้อตรง น, นั้นตรงนี้ไปหาที่ไหนก็มไม่เจอว่าเราก็ยิ้มยิ้มนิดนึงสลดสองเรื่อนี่ได้ยินไม่หูตัวเองนะแต่ก็ไม่คุยอะไรให้เขาฟังเพราะเขาไม่ถามเราเนี่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 ทั้งวันทั้งคืนดืหนหนออ่นนอยๆอันหนองอันนี้มันหนออะไรถ้าคนนทะลมตนไปมากมายนอนจมอยู่กับหนองวุ่นหนองไวาะความเดร้อนอยู่นี่มาเจอหนองออบึงออดตรงนี้ภายในจิตใจจะเอาให้หมดอะไรไม่ดีแม่น่า <_ s 1> พิาจารณาเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องขันห้าย่าปลอยยาวางนี่แหละเป็นตัวค่าสึกสําคัญก็คือขันห้าไม่มีอะไรเป็นค่าสึกยิ่งกว่าขันห้าเป็นข่าสึกต่อเรากา <_ s 2> รพิจารณาขันห้าคือเรื่องบุกเบิกทางให้ถึงความวัตถุได้อย่าง